สุจ ko <the> ิสูตรนะครับว่าด้วยความสะอาด3ประการจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูการพิสูจน์ทางหลายความเป็นผู้สะอาดสอย่างนี้สอย่างเป็นไฉนคือความเป็นผู้สะอาดทางกายหนึ่งความเป็นผู้สะอาดทางวาจาหนึ่งความเป็นผู้สะอาดทางใจหนึ่งดูการพิสูจน์ทางหลาย ความเป็นผู้สะอาดสามอย่างนี่แลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์นังนี้ว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้กล่าวบุคคลผู้สะอาดทางกายผู้สะอาดทางวาจาผู้สะอาดทางใจผู้หาอาสวะไม่ได้ว่าเป็นผู้สะอาดผู้ถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้สะอาดผู้ละกิเลสทั้งปวงเสียได้นะครับ สรุปแล้วพระพุทธเจ้ า, านะครับสารเสริญว่าพระอรหันต์นั่นแหละครับเป็นผู้สะอาดนะเพราะว่าผู้ที่ไม่มีอาสวะก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์ชื่อว่าขีนาสะวะเรียกแบบไทยๆเรียกว่าขีนาศพนะครับเพราะพระอรหันต์นั้นสิ้นอาสวะทั้งหมดนะครับจึงเรียกว่าผู้สะอาดทางกายทางวาจาและทางใจได้จริงๆเพราะไม่มีบาปประธรรมที่เป็นเหตุให้สกปรกทางกายทางวาจาและทางใจเลยนะครับ ที่จริงนะความสะอาดกายวาจาใจนี่นะครับกายาโสเจยะ ว, วจีโสเจยะเป็นต้นนี่นะครับเป็นอาการปรากฏของศีล น, นะครับศีลเนี่ยน ะ, ะเคยคิดนะว่าศีลเนี่ยมีศีลละนะเป็นลักษณะของศีล น, นะครับคือศีลละนะนี่หมายคำว่ารองรับกุศลธรรมชั้นสูงเนี่ยนะครับหรือว่ามีการควบคุมไม่ล่วงละเมิดทางกายทางวาจาเนี่ยเป็นลักษณะของศีลศีล น, นั้นนะครับมีการกำจัดโทษคือความทุศีล น, นะครับเป็นกิจ หรือว่ามีการถึงพร้อมด้วยธรรมะที่ไม่มีโทษนะครับหรือความไม่มีโทษทางกายเป็นต้นนะครับเป็นความถึงพร้อมของศีลศีล น, นั้นนะครับมีความสะอาดกายวาจาเป็นต้นนั่นแหละเป็นอาตตารปรากฏส่วนเหตุใกล้ก็ได้แก่หิริโอต ป, ปะนะครับแต่นี้ก็แสดงว่าศีลเป็นต้นระดับของพระอารหันต์ทั้งหลายนะครับท่านสุจิสูตรนี้นะครับบอว่าโสใจยานิได้แก่ความสะอาด บทว่ากายโสเจยังได้แก่กายะสุจริตแม้วจีโสเจยะและมโนโสเจยะก็ได้แก่วจีสุจริตและมโนสุจริตนั่นเองสมจริงดังคำที่ตรัสไว้เมียที่ว่าบรรดาโสเจยะสอย่างนั้นกายโสเจยะคืออะไรคือเจตนาเครื่องเวนจากปานาธิบาสนะครับเป็นต้นนั่นนะครับก็คือกุศลกรรมมาบททั้งหมดนั่นนะครับ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 อธิบายว่าชื่อว่าความสะอาดทางกายเพราะละกายะทุจริตทุกอย่างได้แล้วด้วยสามารถแห่งการตัดขาดเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ากายสุจิสะอาดนะครับเพราะว่าตัดความชั่วได้ทุกชนิดแล้วนะครับความสกปรกหรือความชั่วที่จะเป็นไปทางกายเนี่ยไม่มีแล้วสําหรับท่านนะครับบทว่าโสจยะสัมปันนังความว่าเข้าถึงแล้วด้วยโสจยะสมบัติที่บริสุทธิ์ดีแล้ว เพราะระ ง, งับกิเลสได้แล้วนะครับคำที่เหลือก็ที่เคยเอธิบายแล้วนะครับอันนี้ก็ความสะอาด3มอย่างนะครับอันนี้เป็นอาการปรากฏของศีล น, นะครับว่าใครเป็นคู่มีศีลก็เอานี่แหละครับไปตรวจสอบดูนะว่ามีความสะอาดทางกายไหมมีความสะอาดทางวาจาไหมแล้วก็มีความสะอาดทางใจไหมนะครับถ้ามีความสะอาดทั้ง3ามทวารเหล่านี้ก็บ่งได้เลยนะครับว่าเป็นผู้ที่มีศีล น, นะครับ